นำท่านมาสู่บริเวณสารวโนทยานกรุงกุศินาราอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวนยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบันทมเยียดพระกายในท่าสีห์สยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆ ก, ก็ปานกัน พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนุ์ว่าอา น, นุนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว่าเหวไร้ที่พึ่งอา น, นุนเอ๋ยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษากว่าว่า อวุโสส่วนภิกษุผู้อ่อนพันษากว่าพึงเรียกผู้แกกว่าว่าพันเตหรืออายสมาผ่อนพันตามควรแกคารวะโวหารอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันทะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเรา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 อานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อพิสุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขไม่กินแหนงแคลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน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 ภิกษุทุกรูปเงียบกลิบบริเวณปรินิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทป ร, ระชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้ว ระดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาตก็ยังประทานปัดฉิมโอวาาเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ้นถึงปวง มีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย้างเข้าสู่ปัจิมยาม พระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมซา ส, ส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเคลี่ยงเกล่าปราศจากเมฆหมอกพระศมีแจมจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปลงปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาไลในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์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 จตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตานิโรธตามลําดับแล้วถอยหลังกลับมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธจนถึงปฐมฌาน และเข้าปฐมฌานไปจนถึงเจตุธาฌานอีกเมื่อออกจากเจตุธชฌานยังมิได้ทันได้เข้าสู่อากาสานัญจาตนะพระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนั้น ในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่มสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา45พ่พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวดทรงเสวยเพียงวันละมือ เพียงเพื่อให้มีพชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพานไปก่อนแล้วนิครนนาตบุตรหรือาศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปินธิกะเศรษฐีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้ที่เป็นมิตร และตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าไปสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่ศาสนายังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปสองโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนาธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนเออสูงเหมือนน้าที่บาสูงขึ้น โดยไม่มีเวลารถรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างลงแล้วยังแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้ว พระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบาลังครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งกางตาสรู้ได้โชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ําค้างบนใบโ พ, พลึกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคําแนะนําของพระองค์สักห้าคน แต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจํานวนแสนจํานวนล้านมีหมู่ชนเป็นจํานวนมากเดินทางมาจากที่สานุทิตเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อสีปีมาแล้วทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสเีย์นามาถวาย และทรง ร, รมเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกรัรมพวันมหาวันบุภผารามนิโคธารามโคสิตารามเศรษฐีกห บ, บดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัฒตาหารของเขา แน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่องใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้ 45่ปีมาแล้วภายใต้โรพพฤกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำในรันชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเย็นเยือกแห่งปัจชิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอนวิจิต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 ยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอักคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากระสัตรพราหม์ไสยสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กในที่สุด ก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงสิงนี่กระไรอันว่าความตายนี้ มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ประศาสแห่งกสัตยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายางสง่าเผอเผยปราศจากความสะทกสถานใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามตุราชนี้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 ทิ้งภคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาิของตน ใครเล่าจะต่อกอนกับพยามรรจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามรร จ, จุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทําให้ความโลภโกรธและหลงสงบลง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 อันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบรุษทุกวัยในพื้นพิพภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาด ฟ, ฟันลงใช้่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงาม เราการมคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้สิอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูนอนเข้าชอนช่ให้ปุพนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรัก เหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกกระลึก ถ, ถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งพลาวทะมัวแต่เมาในร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว คุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิดปูถนนได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุด แต่ความดีและเกีรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบาขันอันทรมานเข้าสู่สิวโมกมหาปรินิพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไป ทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปัสพีดลซึ่งสามารถรองรับหน้านาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสินเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกำปนาการวันไหวอีกทั้งห่วงมหานบก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นคลั้น นรุนาสนันท์ทั่วทั้งสาคอหมู่ปัจฉาปานกั ช, ชาติมังกรผุดดำกระทาศัพท์ให้นรุโคตรประดุดเสียงปริเวทนาการแท้สองโศกาดูลกําสดท้องฟ้านภาากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคลื่นครั่นสนันททั่วเวหา แสดงอาการคล่ำครวนถึงองค์พระโรกนาฏพูดจากไป มองลงมายัางพื้นปฐพีพณสารวนโนทยานมนฑนซึ่งคราค่ํำไปด้วยาศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัดอำไภัยพันและทวยนาครผู้มีความอารยในพระาศาสดาพอเสียงกล้องกังวานระคนเศร้าของพระอา น, นุ์พุทธอนุชาประกาศออกมาว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วเท่านั้นเสียงร่ำไห้ก็ระงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักจันทร์และเรไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งคลือหัดและบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยให้ประดุดบิดาแห่งตนได้สิ้นชีพลงพร้อมๆกัน ณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพะพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุศินารานคร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 แต่ต้นปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุธทธะและพระอานุนได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันทัปรินิพาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแขวนสูแ่แขวนจากราชธานีจากนิคมสู่นิคมและจากชนบทสู่ชนบทตลอดเวลาทั่วชมพูทวีภาระตะวัตทั้งหมดสันสเทือนวิปโยคประดุดบรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวัลย์อันเกี่ยวพันรุกษาขา อย่างความสันสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่งรุกขชาติก็ป่านนั้นไอแห่งความเศร้าสลดแพรกระเซนศาสตร์กระจายไปทั่วขันภษีมาอนาเขตประหนึ่งละ อ, องฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธนีชมพูทวีต ท, ทั้งหมดคลึ้มไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชคด้วยละ อ, องฝนคือปริเวทนาการ ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการชนี้ กำหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลาหกราตรีในวันที่เจ็ดก็จะทำพิธีถวายพระเพลินะมะกุฏพันธนะเจดีในระหว่างหกทวาราตรีนั้นมหาชนจากที่สานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันปานประนึง่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้เพราะ ชาวทมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานุนต้องรับภาระนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกำสดตามนี้ได้เพราะความอาลัยในพระศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อถึงวันที่เจ็ดพระพุทธศรีระ ก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพากุสินารานครเตรียมถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวมาว่าพระมหากษัะซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางจากเมืองปาวาจวนจะถึงอยู่แล้วคณะมะละกษัตริย์และพระอานนต์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อน รอจนกระทั่งพระมหากษัะมาถึงพิธีจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีพระมหากษัะเป็นประธานผ้า498ชั้นที่หอพระพุทธสีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียงสองชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างสมบูรณ์มิให้กระ จ, ระจายผ้าสองชั้นในที่สุด ที่ใช้ห่อพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอัคิโวธานุทุศตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไปนานๆต้องการจะซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่ง ที่เสียงปริเวทนาการดังระ ง, งมไปทั่วปริมณฑลแห่งมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระอสุชนทาราหลั่งไหลชุ่มโชกทุกใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุจฝูงวิหกนกกาที่เคยจับโพรึกหรือมหานิโคดอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคลึม้ม สะพั่งด้วยพลาผลอันเอมโอดเมื่อโพหรือใสนั้นลม้มลงอย่างความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาให้ไหมหมอดไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเอง ผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุดห่วงมหนบมีน้ำพระไทยใสยบริสุทธิ์ ด, ดุดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระไทยนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขสวนพระองค์ขนขวยเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชน พระองค์เป็นผู้ประธานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปริณิพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพษสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โ ป, ปรยปลายธรรมรัตน์พระหนึ่งมาแก้วแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากร โอ้พระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุดนกในเวหาไรโพหรือใส่ที่จะจับเกาะประดุดเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยควางอยู่ในมหาสมุทรอ้างวางว้าเวสุดประมาณจะหาไขรเล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์แม่พระ อ, อนุนพุทธอนุชาเอง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 เมื่อมีการพลักพลากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพรมสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้เมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้น